เมืองเมืองหนึ่งที่ได้ไปในช่วงเดือนที่ผ่านมาก็คือเบอร์ลินเบอร์ลินเนี่ยอยู่ในเยอรมันเดี๋ยวนี้ก็สงบราบเรียบแต่ว่าทุกๆตารางเมตรของเมืองเมืองนี้มันมีประวัติ เพราะว่าเป็นประวัติที่เรียกว่าจะไม่ได้ความทุกข์ทรมานมีการเบียดเบียนมีการทำร้ายมีการเอาัทเอาเปรียบเรียกว่าแทบจะทุกตารางเมตรเพราะว่าตอนที่เกิดสงครามโลกที่สองนี่เครื่องบิน จากฝ่ายสัมพันธมิตรก็ปูพรมถลมนะเบอร์ลินนี่ก็เรียกว่ายับเยินเพราะเป็นเมืองหลวงเป็นศูนย์บัญชาการของฮิตเลอร์แล้วก็กองทัพนาซีของเขาจริงๆนาซีนี่มันไม่ใช่มันไม่ใช่ทหารนะมันมันก็เป็นพรรคพรหนึ่ง เป็นพรรคแต่ว่าสมาชิกพรรคหรือว่าคนใหญ่คนโตในพรรคนี้ก็เข้าไปคุมคุมทุกกลไกของรัฐไม่ว่าตํารวจทหารการศึกษาเศรษฐกษิจนะคุมหมดก็คล้ายๆกับพรรคคอมมิวนิสต์จีนในปัจจุบันหรือคอมมิวนิสต์เวียดนามสมาชิกพรรคกรรมการพรรคก็เข้าไปคุม ตำแหน่งสำคัญสำคัญในรัฐบาลแล้วก็กองทัพหน่วยราชการต่างๆเครื่องบิมสมรู้ก็ปูพรมถล่มยับเยินก็จะลดลงมตายกันมากยังไม่ต้องพูดถึงความหิวโหยแต่ว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยมันก็ คนเยอรมันก็ไปกอ่อความทาเข็งกับคนอื่นทั้งในบ้านแล้วก็นอกบ้านในบ้านก็คือพวกการไปกอ่อความทาเข็งกับพวกยูนแล้วคนยูนนี่ในเยอรมันก็มีมากพอสมควรจริงก็มีทั่วยุโรป น, นะพวกนี้ก็น่าสงสารเพราะว่าพลัดทินาคาที่อยู่นะ บ้านเกิดเมืองน้อยคืออิสราเอลนะแต่ตอนนั้นนัยังไม่มีประเทศอนะิสราเอลพวกนี้ก็กจัดพัทรไพรยมาอยู่ที่ไหนก็อยู่ไม่ได้นานตลอดช่องสอง 2,000 ปีนี้ก็ถูกขับไล่ถูกรังเกียจถูกกีดกันเพราะว่าคนในยุโรปนี่ก็เป็นคริสต์ยูนี่ถือศาสนาฮิบรู ต่างศาสนาที่มันร้ายตปนั้นคือว่าคนคริสก็โกรดแค้นคนยิวเพราะว่าเป็นผู้เป็นคนยิวนั่นแหละที่สังหารพระเยซูจญิงพระเยซูนี่ก็เป็นยิวนะเป็นยิวแล้วถึงที่สั้นสอนนี่ก็ ก็เป็นการสอนอาสาศาสนาฮิบรูเพียงแต่สอนแบบแนวปฏิรูปนะตอนนั้นท่านก็ไม่ได้คิดว่าตั้งาศาสนาใหม่นะพระเยซูเพียงแต่เพียแต่สอนในสิ่งที่ท่านเห็นว่ามันถูกแล้วก็ต่อต้านคาสอนที่ผิดเพี้ยน แต่ว่าคนยิวหัวเก่านะโดยพ ว, พวกนักบวชพวกเก่าเนี่ยก็รู้สึกเสียผลประโยชน์ก็หาทางกำจัดท่านแม้กระทั่งท่านถูกกำจัดไปแล้วลูกศิษย์ลูกหาก็ยังก็ยังถือว่าเป็นยิวอยู่ยังไม่ได้เป็นชาวคริสต์นะ รู้สิรู้ทางคนสำคัญแต่ว่าพอถือไปถือไปถือไปมันการเป็นศาสนาใหม่ศาสนาคริสนะพอเป็นศาสนาคริสเก็ก็ถือเป็นคนละพวกกับฮีบรูคนละพวกกับยิวถ้ามีคนก็พูดวในศาสนา ศาสนาคริสต์เนี่ยที่เรานับถือปัจจุบันหรือว่าที่เผยแพร่มาในช่วงร้อยปีหลังที่พระเยซูถูกตรึงการเขนี่มันเป็นการสอนตามแนวของนักบุญนักบุญปีเตอร์นะนักบุญพอลเซนพอลสิ่งที่สิ่งที่สืบทอดกันมาเนี่ยมันเป็นทำสอน การตีความของนักบุญพอลไม่ใช่เป็นคำสอนงพระเยซูนะบางคนก็เลยพูดว่านี่มันไม่ศาสนาที่มันเป็นศาสนาของเซนพอลอันนี้ก็มันก็มีมูลความจริงอยู่แต่มันก็น่าคิดนะว่าศาสนาไหนที่ต้องการปฏิรูปเนี่ยไปมาการเป็นศาสนาใหม่ไปเลยศาสนาอิสลามก็เหมือนกันนะศาสนาอิสลามตอนแรกพระมูฮัมมัดนี่ก็ เวลาจะทําทน้ำหมายก็ยังก็ยังหันหน้าไปทางเยรูซาเล็มซึ่งเป็นถิ่นกำเนิดของศาสนาคริสต์แล้วก็เป็นสาสนที่สำคัญของฮิบรูคือท่านก็ถือว่าปฏิบัติต่างคำสอนของศาสนาฮิบรูแล้วศาสนาคริสต์แต่ว่ามีคำสนอนตัวงองอเงยขึ้นมาไปมาาก็เป็นาศาสน า, สาม s l a m ไปเลย มันยิวคริสต์อิสลามนี่ก็เลยเป็นศาสนาพี่ศาสนาน้องเนียแต่ว่าพี่น้องนี่แหละนะก็ฆ่ากันอ่ากันตลอดมานี่ย้อนกลับมาที่เนี่ยที่ชาวยิวเนี่ยนะเขาถูกลังเกียจเพราะชาวคริสต์นี่ถือว่ายิวเนี่ยไปฆ่าไปฆ่าศาสดาของเขาจริงจริงมันก็ ไม่เคยมีเหตุผลนะเพราะว่าไอคนที่ข้ามันก็เมื่อสองพปีที่แล้วจะไปเกลียดคนสมัยนี้ได้อย่างไรแล้วก็พระยาซวยก็เป็นยิวนะไม่ใช่ว่าเป็นไม่ใช่ว่าเป็นอะไรอื่นมันเป็นความรังเกียจที่ไม่มีเหตุผลแล้วตอนหลังก็ไม่มีเหตุผลหนักขึ้นเวลามีเข้ายากหมากแพงเวลามีโรคระบาดก็โทษคนยิวนะเพราะว่านี่เป็นพวกตัวซวยผู้อุบาท แล้วบางทีก็มีการปล่อยข่าวหรือว่าพวกยิวเนี่ไปจับเด็กชาวคริสต์ที่มาบูชายันพอมีข่าวลืออย่นี่ก็ก็มีการแก้แค้นฆ่าอันนี้ก็เป็นมาโดยตลอดวันนั้น ฮ, ฮิตเลอร์เนี่ยเวลาเกลียดยิวนี่ก็มันก็มีความเป็นมาจริงๆฮิตเลอร์ก็ไม่ได้เป็นพวกพวกาศาสนาคริสต์อะไรไม่ได้เป็นพวกเคร่งาศาสนา แต่ว่ามาถูกปลูกฝังกันมาให้เกลียดพวกยิวแล้วก็การกวาดล้างฆ่าคนยิวนี่ก็มีมานานตั้งแต่พันปีที่แล้วเรื่อจะก่อนนั้ น, นสิบางทีก็ขับไล่ออกไปทั้งประเทศเลยนะอย่างที่ในสเปนนี่ก็เมื่อสักหกเจ็ดร้อยปีนี่ก็ ขับไล่คนยิวไปทั้งประเทศเลยคนยิวก็ยิ่งกระจัดพัดพลายโนนและเหตุไปถึงย้ายไปถึงอยู่ตุรกีก็มีไปถึงรัสเซียก็มีอันนี้เนี่ยในเบอร์ลินมันก็เป็นแหล่งที่มีการก่อความทำแค่คนยิวมากจนกระทั่งปิดการหนทางไม่ให้ไม่ให้เขาทำมาหากิน เพราะว่ามันมีความสังเกียจคนยืนในไๆที่ว่าคนยืนนี้รวยนะคนยืนนี่ร่ำรวยเป็นผู้ที่ผูกขาดเศรษฐกิจของของชาติเนี่ยอันนี้ก็เป็นข่าวลือนะเพราะว่าจริงๆคนยืนที่รวยก็มีส่วนน้อยสักหนึ 2, ่งหรือสองหนึ่งเปอร์เซ็นตได้ที่เหลืวก็ก็พออยู่พอกินเลยที่ยากจนก็มีเพราะว่ามันถูกห้าม ทำธุรกิจหลายอย่างเช่นคนยูถูกห้ามทำทำไร่ทำนาถูกห้ามทำเป็นพวกช่างต่างๆคนยูก็เลยต้องมาหานาดีทางพวกเป็นหมอทนายความหรือว่าทำธุรกิจทำการค้าพอทำไปทำไปมันก็ก็ร่ำรวยขึ้นมาเพราะว่าขยันแล้วก็ฉลาดแต่ว่าส่วนน้อยนะ ส่วนใหญ่ก็ยากก็อยากจนก็เยอะแต่มันก็มีการปล่อยเข่าวรือว่าคนยูนี่เป็นพวกที่กลุ่มเรศรษฐกิจของชาติเหมือนก็ที่สมัยก่อนเราก็เข้าใจคนจีนนั่เป็นพวกที่กลุ่มเรศรษฐกิจของไทยเอาไว้มีความลังเกียจคนจีนอยู่ยกหนึ่งสมัยรัชกาลรัชกาลที่หกเนี่ย จนจนมาถึงจอคนปอเงี้ยเปลี่ยนคนจีนสมัยสเล็กก็เหมือนกันใครมีใครมีแท่จีนก็ต้องเปลี่ยนนามสกุลซะแต่ก่อนผมก็แท่อุ๋ยนะก็ต้องเปลี่ยนนามสกุลให้เป็นไทยไม่งั้นจะรู้สึกว่าไม่ใช่คนไทยแต่เดี๋ยวนี้มันไม่มีแล้วคนที่มั่งมีก็ แสดงตัวว่าเป็นคนที่มีเชื้อสายจีนอย่างเปิดเผยเดี๋ยวนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดาคแต่สมัยก่อนไม่ได้มันต้องต้องต้องปิดต้องปกปิดความเป็นจีนเอาไว้เปลี่ยนแท้เป็นนามสกุลเปลี่ยนชื่อให้มันเป็นไทยเจรลญภาษาจีนก็ต้องซุกซนซ่อนแต่ว่า คนจีนคนจีนถูกลังเกียนก็ไม่นับไม่เท่าคนยิวนะสุดท้ายก็ส่งฮิตเลอก็ส่งไปไปกาจัดนะ ท, ทั่วทั้งยุโรปเลยส่งไปกาจัดในค่ายกักกันที่ที่โปแลนด์มีเยอะมีหลายค่ายกักกันส่งไปส่งไปฆ่าไปลมควันให้ตายรวมแล้วก็วานหกล้านคน ก็เป็นเรื่องที่น่าอัศจรตย์ น, นาดมากนั่นก็คือเมืองเบอร์ลินนะที่มันมีประติศาสตร์อย่างนั้นสุดท้ายก็เหมือนกับว่าเมื่อก็โดนมือพอไป ท, ไปทําไปเกาะการทําเพคงเขาสุดท้ายก็โดนวิบากกรรมสมมาธมิก็เอาเครื่บิมาถลม่มระเบิดปูพรมลงมาก็ตายกันเป็นเบือ ไม่ช่เฉพาะที่เบอรเลยนะที่อื่นด้วยบางเมืองก็มันก็ไม่มีอะไรเลยนะไม่ได้เป็นแหล่งอุตสาหกรรมทหารแต่ว่าก็ถล่มจนน่าน่าสงสัยเช่น d r ร s d e n เนี่ยเดรนนี่ก็เป็นเมืองที่สวยงามมากก็ เ, เปลี่ยนมือนกับฟ o r e เรนของยุโรปเหนือฟอร์เรนที่เป็นเมืองที่สวยในในอิตาลี เป็นเมืองเมืองเก่าเมืองแก่ทั้งเมืองเลยแต่ว่าโดนถล่มอย่งเงทั้งเหลือซากเหลือของต่อแค่ไม่ถึงหนึ่งเปอร์เซ็นมั้งก็ได้ไปเยี่ยมมนืนกัก็นำาเสียดายบริเวณนี้นอกจากไปโดนระบเบิลถล่มหรือว่าโดนเอาไปกอำำป่อความทาเก็งคนยือแล้วนี่หลังจากนั้นก็ยัง ยังเจอข้อกรรมอีกนะเพราะว่าพอรัออเสเซียเข้ามายึดเบอร์ลินครึ่งหนึ่งมันก็เลยแบ่งกันเป็นสองสซีกนะเบอร์ลินตอนออกกับเบอร์ลินตั น, ออกก น, ตนตกตวันออกนี่ก็เป็นของรัเสเซียตวันตกก็เป็นของพวกอเมริกาังกฤษฝรั่งเศสแบ่งกันยึดครองตอนหลังก็คนเบอร์ลินตวันออกมันทนไม่ไหวมันก็ย้ายมา นี่พยพยพบมาอยู่เบอร์ลินตวนตกเพราะว่าไม่ชอบคอมมิวนิสต์ลัทเสียมก็เลยสร้างกำแพงเบอร์ลินโอ้กำแพงนี่สูงส0บเมตรยาวเป็นร้อยๆ้อยกิโลเมตรเพื่อป้องกันไม่ให้คนคนนี้ออกมาก็คือคุกดีๆ น, นี่แหละเป็นคุกแล้วก็มีมาตรการป้องกันไม่ให้คนเนี่ย ปีนกำแพงออกมามีป้อมมีมีป้อมยา ม, มีกับระเบิดมาวางสารพัดคนก็ไม่ยอมแล้วก็พยายามหนีจนได้บางทีก็ขุดอุโมงหนีบางทีก็ซุกซ่อนอยู่ในรถอยู่ในหลังรถคือมันการเข้าการออกก็ยังพอมีอยู่บ้าง ถ้าเป็นเจ้าที่สถานทูตหรือว่าทหารของฝ่ายตอนตกก็เข้าไปได้ขากลับก็มีคนซุกซ่อนอยู่หลังรถสารพัด ท, ทำทุกอย่างพวกคอมนิดก็ยิงคนที่หนีลักรอบหนีก็เยอะเงินเป็นร้อยๆส่วนที่เป็นล้านอยู่ในนั้นก็ อยู่ด้วยความทุกข์ทรมานแล้วเขาถึงพอพอทนไม่ไหวมันก็เลยมีการรื้อกำแพงมีการลุกฮือขึ้นมาในปี2มรศนี้คนเยอรมันตอนออกก็ลุกฮือขึ้นมาประท้วงแบบสันติในช่วงนั้นมันเขาลุกคือขึ้นทั่วยุโรปตอนออกในเขตคอมมิวนิสต์ของรัสเซีย กำแพงเบอร์ลินมันก็เลยพังทลายก็ได้ไปดูสถานที่เหล่านี้ก็มันก็ชวนให้ระลึกนะถึงความโหดร้ายที่เกิดขึ้นกับผู้คนเดี๋ยวนี้มก็ก็ดีแล้วเพราะว่ามันมีสถานที่หลายอย่างที่เตือนใจให้คนระลึกนึกถึง ความเจ็บปวดรุดราและความโหดร้ายที่เกิดขึ้นไปเยือนไปไปเที่ยวดูไปเที่ยวไปชมเรื่ออนุสาวรีที่ระลึกถึงคนยิวที่ถูกถูกสังหารนะอนุสาวรีนี้ก็ทําดีนะคือไม่มีตัวอักษรสักตัวเลยมันเป็นเพียงแค่แท่นอิฐแท่งอิด วางเป็นพันๆแท่งเลยบางแท่งก็สูงบางแท่งก็ต่ำสีดำเวลาแล้วกม็มันก็มีช่องให้เดินไปเรื่อยๆพื้นก็สูงต่ำไม่เท่ากันบางช่วงท่นท่อนอิฐแท่งอินมันก็แค่แค่เอวบางช่วงก็แค่เข่าแต่บางช่วงก็ท่วมหัวไอตอนที่มันอยู่ แค่เข่าเนี่ยก็คล้ายๆกับแท่นศพนะแท่นศพหรือว่าสูุสามแต่พอเดินเข้าไปปเข้าไปตรงกลางแท่นหินมันไม่ใช่เป็นแท่นมันเป็นแท่งละสูงเลยเหนือหัวประมาณสามเมตรห้าเมตรความรู้สึกคล้ายๆกับอยู่ในคุกนะ มองไปข้างบนก็เห็นแต่ท้องฟ้าความรู้สึกอึดอัดนะอันนี้ก็เป็นความตั้งใจของคนออกแบบที่ต้องการทำให้รู้สึกถึงชะตากรรมของคนยิวนะที่ถูกจับกลุ่มคุมขังหรือว่าที่ถูกฆ่าการเป็นศพนะก็นำเ่าความฉลาดนะในการทำอนุสาวรีย์โดยที่ไม่ต้องอธิบายไม่ต้องอธิบาย ไม่มีไม่มีรูปคนถูกฆ่าถูกทรมานไม่มีคนสักคนเลยในอุสสาวรีนี้ไม่มีตัวอักษรแต่ว่ามันมีเป็นมันสร้างบรรยากาศที่ทำให้รู้สึกหดหูแล้วก็บีบคัน้นซึ่งก็ทำให้รู้สึกมีส่วนร่วมกับคนยิว ข้างล่างมันก็เป็นห้องสมุดเป็นพิพิธภัณฑ์เล็กๆให้คนไปดูว่าเนี่ยมันมีการรังเกียจเบียดเบียนคนยู่อย่างไรบ้างยุโรปเนี่ยที่ไปนี่ไม่ว่าที่ไหนที่ไหนเนี่ยมันมันมีเรื่องราวที่เป็นการต่อสู้กดขี่บีทาหรือว่าสงครามการประหัสทหานนี่เยอะแยะไปหมด นะเรียกว่าทั้งเทวีนี่มันเคยรู้เป็นไฟมาหลายครั้งไอ้ที่ถ้าไม่รู้เป็นไฟก็ก็ไปทำลายบีเบียนก็อย่างเช่นที่มาดริดเนี่ยก็มันมีจัตุรัสหนึ่งซึ่งคนไปเที่ยวกันเป็นจัตุรัสที่แทบจะไม่รู้จะกลับเลยก็ว่าได้นะจัตุรัสใหญ่คือในยุโรปนี่ก็จะมีก็จะมีจัตุรัส ถ้าเป็นเมืองเก่าๆนะมีทุกเมืองจะมีจตุรัสใหญ่ๆคล้ายๆกับเป็นที่ชุมชนเป็นที่จัดเทศ ก, การเทศ ก, การต่างๆถ้าบา้านเราก็เหมือนกับสนามหลวงแต่ว่าก็เป็นจตุรัสก็คือว่ามันก็จะมีอาคารล้อมรอบสี่มุมแต่ว่าใหญ่มากจุคนได้เป็นหมื่นอาจจะเป็นแสนก็เป็นที่ที่ทําทุกอย่างสารพัดทุกวันนี้ก็กลายเป็น สถานที่ที่คนมาเที่ยวมากินม า, มาชมมาชดนตรีของที่วันนี้พกเล่นนะแต่ว่าคนส่วนใหญ่ก็ไม่เคยรู้นะว่ามันไอท้ที่ที่ตัวงมาเที่ยวเล่นกินมันเคยเป็นที่ที่เคยจุดเคยเผาคนทั้งเป็นมาแล้วนะที่เมดเร์เนียเผาคนทั้งเป็นคนที่ นับถือศาสนาคริสตที่มันผิดแบบแผนผิดขนบธรมเนียมก็ก็ถูกจับมาทรมานให้สารภาพว่าเป็นผู้แม่มดบ้างเป็นอะไรบ้างเป็นพวกปฏิปักษ์ศาสนาคริสต์มั่งเรียแอนติคริสแอนติคริสก็คือต่อต้านพระเยซูพอทรมานเสร็จก็จะเผาเลยเผาทั้งเป็น การการเผานี่ถือการทำลายศพด้วยการเผานี่ถือว่าเป็นเรื่องเป็นเรื่องที่แย่มากเพราะคนคนคริสต์นี่เขาจะพยายามเก็บศพให้อยู่ในสภาพเดิมแม้กระทั่งตัดคอนี่ก็ต้องเอาคอมาต่อเพราะเขาเชื่อเนี่ยเมื่อพระเจ้าพิพากษาอีกครั้งหนึ่งวันที่พระเจ้าพิพากษานี่คนดีก็จะฟื้นคืนชีพ ก็เลยเกิดประเพณีไม่เผานะเก็บใส่โงรอว่าเมื่อไหร่จะรารอว่าจะได้ฟื้นคืนชีพในวันที่พระเจ้าพิพากษาทังใครที่ถูกเผานี่ถือว่าสวยมากก็มีการเผานี่คนกลางแจ้งคนก็มาดูกันเยอะแยะแล้วก็อาจจะแช่งชักหากระดูกไอ้พวกที่ถูกเผานพวกที่นอกศาสนาเคลื่อนพวก พวกนอกศาสนาหรือพวกพวกเครือภาสาอังกษเคือเฮเบติกเนี่ยถ้าเป็นยิวก็เขาก็ไม่เผานะเพราะว่าไม่ใช่คริสต์แต่ว่าอย่างมากเขาก็ขับไล่ออกไปแต่บางทีก็ฆ่าเหมือนกันถ้าเกิดว่าเชื่อว่าเป็นพวกตัวซวยแต่ถ้าพวกเป็นพวกคริสต์แล้วว่าเชื่อที่เชื่อผิดเพี้ยนซึ่ง จำนวนมากก็คือพวกยิว น, น, นะครับพวกยิวบางพวกหลายคนก็ทนไม่ไหวเปลี่ยนศาสนาดีกว่าเปลี่ยนศาสนาแล้วแต่ยังยังมีความเชื่อแบบเดิมหรือว่ายังกลับไปนับถือยังนับถือศาสนาฮีบรูเหมือนเดิมเพียงแต่ลหลอกเขาว่าเป็นคริสต์นี่เขาก็จับมาทรมานนะเท่อนั้นพวกที่นับถือศาสนาผิดเพี้ยน เผานี่ในสเปนที่เดียวนี่ประมาณช่วงสามสี่ร้อยปีที่มีการตั้งสารสาศาสนามันมีสารสาศาสนาขึ้นทหนาที่ไล่ล่าพวกที่นับถือาศาสนาผิดเพี้ยนนี่ก็ประมาณมีคนถูกเผาเป็นประมาณหมื่นกว่าคนนะเยอะมากแล้วมันมันเฉพาะที่สเปนที่เดียวนะ ไม่นับที่อื่นอีกแต่สเปนนี่หนักเพราะคนสเปนพระเจ้าแผ่นินสเปนก็ถือว่าเขเป็นพวกที่พิทักษ์ศาสนาพิทักษศ า, าสนาคริสต์ยิ่งตอนหลังนี่มีศา ส, าสนาโปรเตสแตนต์นขึ้นมาคนก็มานับถือศา ส, าสนาโปรเตสแตนต์นเยอะที่เราเรียกว่าคริสเตียนคาทอลิกนี่คริสตังพอมีพวกโปรเตสแตนต์นขึ้นมานี่โอก็ ก็มีการจับมาเผานี่เยอะทีเดียวที่ปรางนี่ก็จตุรัสก็ถูกใช้เพื่อเผาพวกโปรเสตสแตนต์ปรางนี่อยู่ในเชกโกสโลาวาเกียโปรเตสแตนต์นก็ไม่ยอมก็สู้นะสู้ก็เลยเกิดสงครามศาสนาในในยุโรปนี่นานทีเดียวนะมันเป็นติดต่อเนื่องมาเป็นร้อยปีนะ ที่ว่าที่ว่ยุโรปมันรู้เป็นไฟว่าเรื่องศาสนาอ่งนีลนะระหว่างโปรเตสแตนต์นกับคาทอลิกยุโรปนี่ไม่ว่าเมืองไหนเมืองไหนโดยว่าเมืองใหญ่ๆที่ไปมันมันมีเรื่องมีลาวพูดนี้ทั้งนั้นเต็ไมไปด้วยเลือดและน้ำตาซึ่งตรงข้ากับปัจจุบันตรงข้าขปัจจุบันนี้มันยุโรปนี่ส่วนใหญ่ถ้าเป็นยุโรปตอนตนนี่ค่อนข้างจะสงบเรียบ ผู้คนก็ขัดแย้งกันในเรื่องศาสนาน้อยลงยกเว้นกรณีิสลามนี่ก็มีบ้างที่ประทูขึ้นมาเป็นครั้งคราวคนยุโรปนี่แต่ก่อนนี่ใครเป็นใครเป็นโฮโมเซ็กชั่วพวกพวกเกย์นี่ก็จับติดคุกที่เลอกออก็ไปฆ่า แต่ตหลังเยอรมันเขาก็ยอมอ ย, ยุโรปก็ยอมรับความแตกต่างมากขึ้นความแตกต่างระหว่ง า, า, ว า, างศาสนาความแตกต่างระหว่างเชื้อชาติความแตกต่างระหว่างเพศนะเรียกว่ายุโรปตอนนี้ก็เป็นดินแดนที่ขอรัสิทธิเสรีภาพของผู้คนมากแล้วก็ ไอ้ที่เคยลบพุ่งกันก็แทบจะไม่ไม่มีโอกาสแล้วเพราะว่ารวมกันเป็นประชาคมยุโรปก็เรียกว่ากลายเป็นทองเนื้อเดียวกันถึงแม้เป็นประเทศอยู่แต่ว่ามันก็เหมือนกับเป็นพี่เป็นน้องกันก็เป็นดินแดนที่มีความสงบสุขพอสมควรอาณาการก็น้อยการละเมิดสิทธิมนุษยชนก็น้อย ถึงแม้จะมีความรังเกียจเยียดผิวอยู่บ้างมันก็มันก็เป็นเรื่องที่เพิ่งเกิดขึ้นมาระยะหลังในขะที่มีคนหนพบหนเข้ามาแต่ว่าก็ไม่กลรแสดงเปิดเผยแสดงเปิดเผยนี่เดี๋ยวก็โดนคนโยตําหนิถูกต่อว่าจะพูดอะไรไปในเฟซบุ๊นี่ก็ในทางที่เหยียดยามาศาสนาดูถูกสีผิว หรือว่ารังเกยียจเชื้อชาญนี่ก็โดนถลม่มอันนี้ก็เป็นมันก็เป็ น, น, เ, ปนเป็นบทเรียนที่แรกมาได้ด้วยเป็นเรียกว่าเป็นความปกติสุขที่แรกมาด้วยบทเรียนที่ราคาแพงมากคือมันต้องผ่านการค่าผ่านการทาเอาเปรียบเบียดเบียนหรือว่า การผมเห็นคเน่งร้ายจนถึงจุดหนึ่งที่มันเรียกว่าคนมันไม่รับไม่ไหวแล้วคนรอมก็เลยรู้จากบทเรียนที่เจ็บปวดนนะคือเพียงแค่เพียงแค่พูดแค่เตือนนี่มันก็ไม่ฟังนะจนกว่าจะได้ทําผิดทําพลาดแล้วเกิดความเสียหายขึ้นมา เช่นไปฆ่าคนยืนถึงหกล้านคนหนึ่งค่อยสําสนึกได้ว่าเอยอย่าทําดีกว่าทํายีงไม่ดีหรือว่าทําสงครามศาสนากันเป็นร้อยปีคนตายกันเป็นล้านถึงเค่อยนึกได้ว่าเราจะฆ่ากับพระศาสาศนาทําไมเราต่างคนต่างอยู่อย่างสันติดีกว่าแล้วคนเรากว่าจะสํานึกได้นี่มันก็ทําไมมันต้องผ่านการฆ่ากันนะ ผ่านการผ่านความเจ็บปวดผ่านความทุกข์เมืองบ้านเมืองเรา น, า น, นี่ที่จริงก็โชคดีที่ว่ามาที่หลังนะก็ได้น่าจะเรียนรู้ประวัติศาสตร์บทเรียนจากประเทศอื่นและ ว, ว่าเขาผิดพล า, า, าดยังไงเขาโง่ขนาดไหนเขาหลงกันยังไงถึงค่อยกลับมากลับมาตื่นขึ้นมาเราก็น่าจะ ไม่เดินซ้ ำ, ซำรอยเขานแต่นี่ดูเหมือนว่ากําลังจะกำลังจะเป็นกำลังจะเป็นอย่างเข้าอย่อย่างเช่นกรณีพวกโรยิงยาโอ้ยคนไทยจํานวนไม่น้อยเกลียดพวกโรยิงญามากเลยนะเมื่อเกลียดพวกยิวเมื่อพวกยุวเราเกลียดยิวโรยิงยาไม่ได้ทําอะไรคนไทยเลยเกลียดมาก ไม่ไม่ไม่ต้อนรับเพราก็ไม่ก็ยังไม่เท่ า, านี่ยังยังดายนะหรือว่าไอ้ความเกียดชังระหว่างระหว่างสีนี่ก็ไม่ต่างจากความเกียดชังระหว่างศาสนาของพวกยุโรปอนะไยุโรปคาตัล็กกับโปรเซสตันนี่ก็เกลียกันมากสมัยก่อนตัดพี่ตัดน้องกันบ้านเราเดี๋ยวนี้นะมันก็พีตัดพี่ตัดนอ้นนนนดดนองกันนะถ้าคนละสีย ทุวนนี้ก็ยังไม่เริกไม่ลายัางล่าสุดในเรื่องดาวดินเนี่ยโอ้ยใครเชียวดาวดินนี่ก็ถูกด่าถูกกระห น, น่าใครต่อต้านดาวดินก็ถูกด่าถูกกระหน่ำบางทีอาถึงขั้นไม่คุยกันแล้วอย่างเช่นนักเนได้อานข่าวเนี่ยอ่าบทความพูกนักเขียนที่เคยซีกันนักเขียนที่เคย ร่วมหัวุมทายเสียงเป็นเสียงตายด้วยนตอนนี้ก็ไม่คุยกันแล้วหันหน้าหันหลังให้กันเพราะเรื่องสีเนี่ยนะมันก็คือไม่ตายอย่างที่ยุโรปเคยเคยเป็นมาแล้วนะเรื่องใครเป็นคริสกายบุนคริคาทอลิกปวเตสตันนี่ก็ของเขาหนี้ถึงก็รทำสงครามของเราเนี่ก็ก็ทำมาแล้วคราวนึ่งนะปีห้าสามเนี่ก็สะใจกัน สาสใจสมน้ำหน้าอันนี้มันแสดงความรู้สึกเกลียดชังที่มีคนถูกทำร้ายกว่าเราบ้านบ้านเมืองเรามันจะยอมรับความแตกต่างทางความเชื่อทางทางอุดมการหรือทางาศาสนาจริงๆก็ก็คงจะอีกนานก็คงจะอาจะต้องผ่านความ เจ็บปวดความทุกข์ทรมานอยู่สักพักหนึ่งนะก็หวังว่ามันจะสูญเสียน้อยกว่าที่เกิดขึ้นกับยุโรปแล้วก็หลายประเทศนะที่อิสาเลนี่ก็เป็นเรื่องก็เป็นอีกอันหนึ่งนะโอ้ก็ดูเดือดเลือดพ่านกันแล้วกั น, กนนะแต่ว่ายังไม่ยอมยุติเลย อ่านประวัติศาสตร์เฉพาะเมืองเยรูซาเล็มเมืองเดียว น, นี้ 2,000 ปีนี่มันมีแต่การฆ่าฟันกันสู้รบกันระหว่างศาสนาศาสนาคริสกับยิวยิวกับโรมันแล้วก็ยิวกับอิสลามแล้วก็อิสลามกับคริสตอนนี้ก็ยิวกับยิวกับอิสลามเรียก ว, ว่าไม่จบไม่สิน้นก็มัน แ่นัน่นเป็นเมืองที่ศักดิ์สิทธิ์นะแต่ว่ามันเป็นเมืองที่เต็มไปด้วยความตายเต็มไปด้วยประวัติศาสตร์ของความเกลียดชังพวกพวกแคทลิกนี่เคยไปยึดเมืองเยริสโลแมสมัยที่อิสราเอลอิสลามปกครองเนี่ยยึดเสร็จนี่ฆ่าเละเทะเลยนะทั้งเด็กทั้งผู้หญิงฟันแขนฟันมือฟันหัวฟันสารพัด แขนขากระเด้งแขนกระจักกระจายกันเป็นไม่เป็นหมื่นเลยนะเมื่อสมาณสักพันปีที่แล้วผ่านไปหกเดือนนี่กลิ่นเหม็นๆมันก็ยังคนที่จาริกมาเยเชลี์บอกวกินมันยังเหม็นอยู่เลยกินกินเน่ากินศพก็ไม่รู้เป็นเมืองศักดิ์สิทธิ์ได้งไงนะมันเต็มไปด้วยความตายและความเกียดชังการแก้แค้น ทา้งที่พระเจ้านี้เป็นสัญลักษณ์แห่งความรักความเมตตาถ้าไปแล้วก็ถ้าไม่สนใจประสา ห, หรือาศาสนามก็ดูขดถูง น, นถ้าถ้ารู้ว่าเบื้องหลังของเมืองเมืองนี้ตลอดส0 0พันปีหรือว่าจริงๆสา0พันปีได้ซ้ำในเยรูส็สม e m แต่นี้ก็เป็นเรื่องใหญ่เรื่องนึอ่ะช้านี้ก็เท่านี้ก่อน